ทางเอกหมายเรียหนึ่งคือสติปธธัฏฐานสี่อาจจะไม่ตรงคูดด่ตรงอื่นที่นีเรื่องอื่นท่านรู้มามากแล้วไม่ใช่สอนเรื่องท่านรู้ที่มาพูดวันนี้มาพูดรื่ท่านได้เอาไปทำพูดนี้เป็นการเห็นไม่พูดให้ฟังนั้นเราภาคหนังบรรยายภาพต่างๆ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 มีความรู้กันทุกคนรู้ว่าโกรธมันไม่ดีแต่เรายังโกรธอยู่บางทั้งที่รู้ว่าไม่ดีความทุกข์ก็ไม่ดีเรายังโทษพากันทุกข์อยู่ความรู้มันใช่ม่ได้ถ้าถามทุกท่านอยู่ที่นี่โกรธดีไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ดีทั้งาไมยังโกรธอยู่น่าจะหายโกรธไปแล้วถ้ารู้ว่าไม่ดีเพราะนั้นความรู้นี่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 ไม่มีใครเหยียบเป็นทางมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นทางได้คือตอนที่มันหลงพอมันรู้ตรงที่มันหลงเหยียบไปหนึ่งก้าเหยียบเป็นหนึข้างพอเหยียบบนหลงหลายข้างหลายฝันก็เป็นรอยแห่งความรู้เรียวเป็นทางได้มันหลงตรงไหนรู้ตรง น, นั้น่าให้ความหลงเป็นความหลงมันจึงจะเป็นทางความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนใบมีดรถแทก็กเตอร์ ผ่านไปที่ใดะมักจะเป็นทางไปเดี๋ยวนี้เสีภ า, สภาพที่ลูกกับสีภาพที่หลงเราเดินอยู่ตรงไหนชีวิตเราผ่านมาถึงวันนี้แล้วระหว่างความลูกความหลงอันไหนมันมากกว่ากันในชีวิตของเราถ้าเราตอบได้ก็คงจะตอบออกจากครึ่องๆกลางเช่นเราเดินอยู่วันหนึ่งไม่น้อยอาจจะไม่ลูกอะไรเลยก็มีเหมือนกัน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 ลู้กนน็แบนี้รู้ลูกออกไปลู้รู้อู้่ากดจะ ก, กึงหายใจลงโล่งยิ้มยิ้มว่าฟังมาอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยอยู่บ้านได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่ไหนอยู่ที่มือใช่ไหมอ่าอยู่ที่มือเคยอยู่อย่างนี้สักหนึ่งเชั่วโมงไหมเคยไหมทําไมไม่เคยไปลูล้เลยล่ะ ก็ตัวสอนฝรั่งขเขาขยี้เราไม่เหยู่ห้องโถงอย่นี้นแหละลวเขามายืนอยู่้ประตูเนีน่ยขอสัมภาษณ์ได้ไหมเราเขาบอกได้เข้ามาเราก็วังเยืนคนล้วนเลยมาคุณมาสอนเน่เตื้อเมื่ไรเขาว่ า, าครูใช่ไหมคำพูดจากเน่นครูไหม <laughs> วเรายืนอยู่เรานั่งอยู่ก็บอกให้เขานั่งเราถ้าคนยือนอยู่คนแสดงท่าตะโ ก, กน เรานั่งอยู่แสดงทำแต่คนเกิอนอยู่ต้องอบัตแสดงไม่ได้อันนี้เรานั่งไงเขาว่านั่งลงพลังนั่งไม่เป็นนะหัวเขาขดสมาธิมันเราไม่เป็นเราบอกว่าให้มนยกเรารู้ตัวเองเรารู้ตัวเองคนรู้ตัวเองคนรู้ยังไงเขาถามบอกให้พลังเอามือวางไว้มันรู้ภาษาพลังว่าอะไรฮะสิบสี่ชั้นวะหนึ่งรู้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 วิเจ้าบอกมหาสติปัฏฐานจากหนึ่งลู่หนึ่งลูห่หรงลู่มันมีทางอยู่ตรงนี้ทางเอกมันอยู่ตรงนี้กายานพัญนามีสติเห็นกายลู้ลู่มหาลู่ชั่วโมงหนึ่งถ้าลู้ทุกวินาทีจะได้จีลู้อาจารย์ชั่วโมงหนึ่งมีจีวินาที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 มันจะมีตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมีไหมความคิดไม่ได้ตั้งใจเวลานอนหาเรื่องมาคิดมีไหมไม่จากคิดมันว่าคิดมีไหมเพราะไม่เคยฝึกถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยโอ้อยหลับสบายได้ฝึกไปเรียนอนทําไงนอนตะแคงข้างไหนก็ได้พลิกมาหรือไม่พลิกก็รู้สึกตัวจับปิดประตูน้าต่างเก็บข้าวเก็บของนั่งพลิกมานอนหลับตาข่มรู้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 เคยเปลี่ยนตรงนี้ไหมปฏิบัติเคยเปลี่ยนด้เป็นดีมันโกรธรู้เปลี่ยนไม่โกรธได้เวลามันโกรธมีสิทธิไปโกรธไหมมีไห ม, ม, มเคยใช้สติไหมหรือเวลามันโกรธเราทำตามความโกรธถ้ากูได้โปรดตายกูไม่ลืมรีบไม่ใช่ลองเปลี่ยนดูซิเวลามโกรธเราเปลี่ยนเราดูถ้าเรากจะง่ายมันก็เปลี่ยน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 เห็นกายในกายมันมีทนอยู่ในกายกายนี่เป็นกายมหาภูตารูปมหาภูตารูปที่เป็นรูปอาใจให้ละความชั่วทำความดีถ้าเรามีสติใช้กายทำความดีได้ให้กายละความชั่วดายถ้ามีสติใช้จิตทําทความดีใช้จิตละความชั่วได้เดี๋ยวนี้เราไม่ไม่สามารถที่จะคลองตัวเราได้คุบร้อยคงดีผูผูแผกแผลเพราะไม่เคยปึะคตตัวเอง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 แต่บางคนไม่รู้เวลาหิวเข้าหเราโกรธมีบ้างไหมหิวเข้าหรราโกรธไม่ถูกท่องเลยเวลาหิวนันชื่นใจแสดงว่ารูปธาตุของเราปกติที่สุดถ้าไม่หิวอันตรายลองตาพ่วยอยู่สองปีไม่หิวข้าวเลยน้ำหนักเจ็ดบ้ากิโลเหลืออยู่ห้าสิบสามกิโลตายไปเมื่อคืนมาใหม่เลยเพ้่งคืนมาปีนี้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 ทำไปทํามาไม่ต้องเผื่อ ม, มันคือเบิกให้เป็นว่าที่สอนให้รู้สอนให้เป็นการสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้ไมิแต่สอนให้ลูกเพราะเราจบจากการเรียนลูกมาทั้งหมดลูกมากกว่า้องตาด้วยแต่การสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเองเวลามันหลงรู้เป็นไหมเวลามันโกรธรู้ทําเป็นไหยเวลามันทุกรู้ทําเป็นไหนถ้ามันรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้มันจะจานานไปจานานไปง่าย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 ที่นั่นมีก้อนอิดโบราณใหญ่ขนาดนี้เขามารองแต่พกก็นอนะ เ, เราสมมุติยังไงะถ้าเป็นพวกเราจะสมมุติยังไงลําบากไหมลาบากโอ้ยฝนตกเหี้ยเราสมมุติยังไงร้องไหเลยสมทั้งวันวันนี้เราเป็นกบคืนจะกบเขาอยู่ต้องสิบปียี่สิบปีเราเป็นกบจะคืนไม่ได้หรือ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 เพามันร้อนทั้งกายทั้งใจด้วยทุกวันนี้คือว่าโลกร้อนแต่ใจอย่าร้อนมันจันทน์พนพูดว่าร่างกายพิการแต่จิตใจแจ่มใสักงพูดคนที่ได้เจะทุกที่สุดในโลกคือจันทน์นนอนอยู่กับบ้านยี่บกปีจึงคยพบกันมันก็นี้น่าจะทุกข์กว่าใครในโลกเด๋ยวนี้ก็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 รูปแล้ก็เป็นก้อนหนึ่งน้ําก็เป็นข้อนหนึ่งมันอาศัยกันอยู่ระหว่างรูปทำกับน้ำทำรูปมันเป็น time, รูปทำมันทําดีอย่างทําอย่างนี้รูปมันทํามันทําดีที่ทําชั่วอย่างเนี้ยถ้าทําอย่างนี้ทําดีที่ทำชั่วรูปมันทําชั่วรูปมันทําดีอะไรสั่งจิตเป็นนายกลายเป็นเรือจิตนั้นเป็นนาย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 ร้อนความหนาวไม่ใช่รักษาเป็ น, นวันเทาทุกข์ของลูโลกโรคของลูกบางทีต้องบันเทาไม่ใช่แก่เช่นหนวข้าวไม่ใช่แก่บรรเทาปาบน้ำมันร้อนปาบน้ำมันหนาวผงผ้าบันเทาแก่ไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นรูปโรคนาวโรคน้ำโรคแก่ได้น้ำโรคแก่ได้เช่นของโกรธเป็นขั้สุดท้ายได้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 ทำได้ทำได้ยงไงฝึกมากับหลวงปู่เทียนมา4ี่สิบกว่าปีนั่นเป็นวันนี้ของเราไม่ใช่สี่สิบปีนน้นไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราฝึกฝนมามันทำได้แนะแล้วก็หอดไปไม่รู้ว่านอนเท่าไหรรพอตื่นตัวขึ้นมาเั้นจะมาโอท้องมาสอดเข้าเป็นามคอเอาพูดนั้นได้พยาบาลเรียกว่า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 นั่งสื้อได้สมองดีนะ <c oughs> อภิกรรมมาเขียนหนังสือว่าถ้าโยนทวายืนอยู่ก็กจกข้างน้องข้าวกกลับบ้านนายไม่ต้องเป็นห่วน้อ ง, งตาน้องตาเป็นชีวิตส่วนตัวมากที่สุดเวลานี้กลับบ้านจ ะ, ะก็กาแฟการอ่านยังมายื่นกอดยาวเเขาคิดถึงเราเลยก็เลยมาคิดใหม่ว่าถ้า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 มีกําไรขึ้นมาพยายามพวดเบาขึ้นมาเออเ อ, อทิ้งมันไปบางไรดีขึ้นพรเบาพยาบาลอาว่อากระทุนมาลุ้นกระทุนหลยขอนครหมอหมอเละโอ้ยเทพธิดาหลงตาเทพพระุษตลหลงตาคนหมอบ้างพยาบาลบ้างเป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติมากที่จดหลงตานะฮิจิโมโรอนหนึ่งแสนสองแดหลอด